ชาติแรกไม่มีเจกเช่นก้นแก้วคุณบอกได้ว่าเป็นวงกลมแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าวงกลมนี้มีจุดเริ่มต้นตรงไหนถ้าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแล้วชาติแรกมาจากไหนจะชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดต้องชื่อเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมเสียก่อนเราจะเห็นเหตุเห็นผลได้ง่ายขึ้น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นั่นคือคนและสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดไม่มีใครเกิดที่ไหนเป็นอะไรเพียงเพรบบาะบังเอิญไม่มีใครประสบทุกข์เพราะถูกกลัน่นแกล้งไม่มีใครประสบสุขเพราะเกิดการลำเอียงความจริงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครไปแก้ไขได้เหล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพียงรู้เห็นด้วยอภิญญาอันล่วงตาเนื้อของมนุษย์และนํามาบอกนํามาประกาศนํามาทําให้เป็นความรู้ที่บอกต่อง่ายเท่านั้นเมื่อเข้าใจว่าก่อนเกิดต้องมีบุญหรือมีบาปเป็นตัวกําหนดเป็นตัวคัดสรรว่าสมควรเข้าช่องเข้าชั้นไหนเพื่อรับเวรรับกรรมที่ทํามาก็จะเข้าใจเป็นลําดับต่อไปว่าชาติแรกมีไม่ได้เพราะถ้ามี ก็ไม่รู้จะถูกจัดเข้าพวกไหนสมควรเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรดมนุษย์หรือเทวดาอยู่ๆจะเป็นจิตวิ ญ, ญญาณที่ผุดขึ้นกลางจักรวาลไม่ได้พวกเราเข้ามาอยู่ในวงกลมที่ไรจุดเริ่มต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะหาจุดเริ่มต้นอย่าหาจากตัวตนที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมแต่ให้ส่องด้วยปัญญาพิจารณา ถึงสิ่งที่มาก่อนตัวตนเป็น ช, ชาติชาตินั่นคือความไม่รู้ตัวว่าอยู่ในวงนังวนไม่รู้ว่าทําอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ากายใจนี้คือเยื่อล่อให้งับลงยึดลงเชื่อกันว่าคือตัวเราคือเราคิดคือเราพูดคือเราทําเมื่อมิรู้ก็ได้ชื่อว่าถูกอวิชชาบดบังความจริงอยู่ จึงคิดจึงพูดจึงทําอย่างที่เกิดแรงดันจากข้างในโดยไม่ทราบว่าคิดพูดทําไปอย่างนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่ใช่ไม่ผิดแต่ถือเป็นความผิดที่ไม่รู้แต่ครั้งนี้สะสมบาปไว้มากครั้งต่อไปก็เหมาะจะมีกายใจอันเป็นทุกข์ถ้าครั้งนี้สะสมบุญไว้มากครั้งต่อไป ก็เหมาะจะมีกายใจอันเป็นสุขเป็นกฎที่ไม่มีความสงสารหรือส่งเสริมใครแม้คำสาปแช่งให้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีผลอย่างเช่นในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ายังเวียนว่าอยู่ท่านเคยถูกทรมานตัดมือตัดเท้าก่อนทำให้ตายทรมานเราจงใจแกล้งจับโยนลงนรกแห่งความอาฆาตแต่จิตใจของท่านก่อนตายในครั้งนั้น กลับสงบเยือกเย็นและมีแก่ใจแผ่เมตตาให้แก่ผู้ทำทารุณท่านท่านจึงเข้าถึงฌานอปมัญญาไปบังเกิดเป็นพระพรมด้วยจิตอันอิ่มสุขไม่ใช่ไปเกิดเป็นอะไรอื่นด้วยกายอันทุกสาหัสสรุปแล้วชาิแรกมีไม่ได้เพราะถ้ามีก็ไม่รู้จะเริ่มต้นกันที่ความเป็นอะไรและอะไรที่กำลังเป็นอยู่นี่ละ่ะ บอกอยู่ว่าพวกเราทำบุญไว้มากพอที่จะมามีจิตสำนึกรู้ผิดรู้ชอบแบบมนุษย์มามีร่างกายมีอายุแบบมนุษย์อันเป็นโอกาสก่อบุญก่อ บ, บาปกันตามใจชอบอีกเหมือนอย่างนี้และภพชาติจะไม่สิ้นสุดเองตราบเท่าที่อวิชชายังไม่ถูกทำลายลงชาติแรกไม่มีมีแต่อวิชชาเป็นมูลตั้งตน หาเหตุผู้อ่านในเรื่องของชาติแรกนั้นตามคําอธิบายนี้จะเป็นที่เข้าใจได้ยากสาหรับคนทั่วไปนะครับเพราะเป็นกฎแห่งนามธรรมที่จะรู้สึกขัดแยง้งกับกฎทางวัตถุที่ทุกคนรู้จักกันดีจะเข้าใจได้จริง <S <S ก็ต้องฝึกปฏิบัติจนเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตนี้เป็นอนัตตากันได้จริงก่อนเท่านั้นสําหรับจุดมุ่งหมายในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องชาติแรกนั้นโดยมากเราจะเห็นนะครับว่า สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะสนใจบางเรื่องนั้นรู้ไปก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นยิ่งรู้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่มากพอจะเข้าใจก็ยิ่งจะทําให้สงสัยหนักขึ้นหลายเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องอจินไตยคือเป็นเรื่องที่เกินวิสัยของปุถุชนจะเข้าใจท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความคิด แต่จะเข้าใจได้ด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือการบรรลุธรรมเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมการสอนธรรมะทั้งของศาสนาพุทธและศาสนาอื่นนั้นบางครั้งต้องมีปุคลาธิฐานคือการสมมุติตัวตนขึ้นมาให้จับต้องได้เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายให้เป็นบันไดได้ก้าวขึ้นทีละขั้นถ้าเริ่มต้นด้วยการสอนเรื่องนามธรรมซึ่งเป็นความรู้สําหรับคนที่จิตปรานีสูงขึ้นไปตามลําดับจะเข้าใจได้ ก็คงจะเป็นการยากที่จะสืบทอดศาสนาหรือทำให้คนทั่วไปที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเพิ่งมาใหม่เข้าใจได้แต่บางอย่างเมื่อมีคนถามท่านก็ตอบให้เฉพาะคนที่เหมาะสมจะตอบถ้าหากใครยังไม่เข้าใจก็ขอให้ฟังประดับความรู้ไว้ก่อนอย่ารีบเชื่ออย่ารีบปฏิเสธแลศึกษาปฏิบัติเพียรรู้เห็นตามความจริงถ้าทาได้ถูกต้องต่อเนื่องมากพอวันหนึ่งก็จะเข้าใจได้ลึกขึ้นมากขึ้น ไปตามลำดับเองนะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องอาจินตยเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้จึงไม่แปลกที่เราจะไม่เข้าใจหรือฟังแล้วดูเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อจึงต้องขอย้งว่าอีกครั้งนะครับว่าหลายเรื่องจะเข้าใจได้จริงต้องบรรลุธรรมก่อนเท่านั้นศรัทธาที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เรามีความาคเพียรบากบันปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้จริง ซึ่งศรัทธาที่ถูกต้องจะเกิดได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาปฏิบัติที่ถูกต้องตรงทางและมากพอสำหรับในด้านทฤษฎีนั้นแนะนําให้ทุกท่านศึกษาจากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะครับที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกและคมภี์ทางฝ่ายเทราวาดได้รวบรวมเป็นข้อมูลจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ให้พวกเราได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการไปศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้ที่ทำให้เรามีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็ขอฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ